มหาราชบั พ, พวันานาการนั้นพระเวสสันดรโพธิสัตว์และพระนางมัสีทรงบันเทิงเสด็จแรมอยู่ในอาสมที่เท้าศักกะประธานครั้งนั้นพรามชูชกพาพระชาลีพระกันหาทั้งสององค์เดินทางหกสิบโยต์เหล่าเทพเจ้าได้อารักขาพระกุมารกุมารีฝ่ายชูชกครั้นดวงอาทิตย์อัสดงคต ก็ผูกพระกุมารกุมารีทั้งสองไว้ที่ก่อไม้ให้บรรทมเหนือพื้นดินตนเองขึ้นต้นไม้นอนที่ระหว่างคาคบกิ่งไม้ด้วยเกรงพาละมรึกที่ดุร้ายในขณะนั้นมีเท พ, พบุตรองค์หนึ่งแปลงเพศเป็นพระเวสสันดรมีเทพทิดาองค์หนึ่งแปลงเพศเป็นพระนางมะสีมาแก้มัดสองกุมาร นวดพระหัตและพระบาทของสองกุมารสงน้ำประดับให้เสเวยทิพยโภชนาหารตกแต่งด้วยสัมภารังการให้บันทมบนพระยี่ผู้ทิพย์พออรุณขึ้นก็ให้บันทมด้วยเครื่องพันธนาการตามเดิมอีกแล้วอันตรธานหายไปราชกุมารกุมารีทั้งสองนั้นหาพระโรคไม่ได้สเสด็จไปด้วยเทวะสงเคราะห์อย่างนี้ เมื่อราตรีนั้นสว่างแล้วชูชกลงจากต้นไม้ล้างหน้าบ้วนปากสีฟันแล้วบริโภคพลาผลการนั้นแกพาสองกุมารไปถึงมรคารหนึ่งคิดว่าเราจะไปกาลิงครัตแล้วเดินไปเห็นทางสองแพร่งทางหนึ่งไปกาลิงครัตทางหนึ่งไปกรุงเชตุดรเทวดาดนใจแกจึงละทางไปกาลิงคารัต เห็นทางหนึ่งไปกรุงเชตุดอนจึงนำสองกุมารไปด้วยสําคัญว่าทางนี้เป็นทางไปกาลิงครัตแก่คิดว่าเราจักไปกาลิงครัตล่วงเชิงภูผาของภูผาที่ไปยากทั้งหลายถึงกรุงเชตุดอนโดยการนับได้กึ่งเดือนวันนั้นเวลาใกล้รุ่งพระเจ้าสันชัยศรีวิมหาราชทรงพระสุบิน พระสุบินนั้นมีข้อความดังนี้ว่าเมื่อพระเจ้าสัญชัยมหาราชประทับนั่งในสถานที่มหาวินิจฉัยมีชายคนหนึ่งผิวดำนำดอกประทุมสองดอกมาวางไว้ในพระหัตถ์แห่งพระราชาพระราชาทรงรับดอกประทุมทั้งสองดอกนั้นไว้ทรงประดับที่พระกันสองข้างละองเกสรแห่งดอกประทุมสองดอกนั้น ร่วงลงบนพระอุระแห่งพระราชาพระเจ้าสัญชัยตื่นบรรทมตรัสเรียกพวกพรามผู้รู้ทานายสุบินมาตรัสถามแต่เช้าเที่ยวพรามเหล่านั้นทูลพยากรณ์ว่าข้าแต่สมมุติเทพพระปยุรญาตของพระองค์ที่จากไปนานจะกลับมาพระเจ้าสัญชัยได้ทรงสดับคําพยากรณ์นั้นทรงยินดี โปรดให้พราหม์เหล่านั้นกลับไปสนานพระเสียนแต่เช้าแล้วเสวยโภชนาหารมีรถเลิศต่างๆตกแต่งพระองค์ด้วยเครื่องอลังการคืออาพรทั้งปวงประทับนั่งณสถานมหาวินิจฉัยเทวดานำพราหม์กับสองกุมารมายืนอยู่ที่พระลานหลวงขณะนั้นพระเจ้าสัญชัยทอดพระเนตรดูมัคคา ทรงเห็นสองกุมารจึงตรัสว่านั่นหน้าของใครหนองามนักดังทองคําที่หลอมร้อนแล้วด้วยไฟหรือดังลิ่มทองคําที่ละลายคว้างในปากเบ้าฉะนั้นเด็กทั้งสองคนนี้มีอวัยวะคล้ายคลึงกันมีลักษณะคล้ายคลึงกันคนหนึ่งเหมือนพ่อชาลีคนหนึ่งเหมือนแม่กันหาชินาทั้งสองคนมีรูปสมบัต ดังราชสีออกจากถ้าฉะนั้นเด็กสองคนนี้ปรากฏเหมือนหลอด้วยทองคำทีเดียวบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าล้อมร้อนแล้วด้วยไฟพุตตะตะมักคินาได้แก่ที่เผาร้อนแล้วด้วยไฟข้อว่าดังราชสีออกจากถ้ำฉะนั้นสีหาวิลาวะนิขันตา ได้แก่เป็นราวกราชสีออกจากถ้ำทองทีเดียวพระเจ้าสัญชัยตรัสสรรเสริญสองกุมารด้วยคาถาสามคาถาอย่างนี้แล้วมีพระราชดำรัสสั่งอามาท์คนหนึ่งผู้ฉลาดศึกษาดีแล้วว่าเจ้าจงไปนำพรามกับทารกทั้งสองมาอามาท์นั้นได้ฟังดังนั้นก็ลุกขึ้นไปโดยเร็ว นำพรามกับทารกทั้งสองมาแสดงแ ด, พด่พระเจ้าสัญชัยลำดับนั้นพระเจ้าสัญชัยเมื่อตรัสถามพรามชูชกจึงตรัสว่าแน่ αι, พาระตวาชพรามท่านนำเด็กทั้งสองคนนี้มาจากไหนเนอะท่านมาจากไหนลุถึงแว่นแคว้นของเราในวันนี้ชูชกกราบทูลสนองว่าข้าแต่พระเจ้าสัญชัยสมมติเทพ กุมารทั้งสองนี้มีผู้ให้แก่ข้าพระองค์ด้วยความพอใจตั้งแต่วันที่ข้าพระองค์ได้สองกุมาร น, นี้มาคืนวันนี้เป็นคืนที่สิบห้าพระเจ้าสันชัยได้ทรงสดับคำชูชกกราบทูลจึงตรัสว่าท่านมีถ้อยคำดูดดื่มเพียงไรจึงได้เด็กสองคนนี้มาท่านควรทำให้เราเชื่อโดยเหตุที่ชอบ ใครให้ลูกน้อยทั้งหลายอันเป็นอุดมทานให้เป็นทานนั้นแก่ท่านบรรดาคำเหล่านั้นคำว่ามีผู้ให้ด้วยความพอใจทินนาวิตเตนะได้แก่ยินดีคือเลื่อมใสด้วยข้อว่าคืนวันนี้เป็นคืนที่สิบห้าอัจชะปันนระสารตัตีชูชกกราบทูลว่า จำเดิมแต่วันที่ข้าพระบาทได้สองกุมารกุมารีนี้มาส5้าราตรีเข้าวันนี้บรรดาคําเหล่านั้นข้อว่าท่านมีถ้อยคําดู ด, ดื่มเพียงไรจึงได้เด็กสองคนนี้มาเกณะวาจายะเปเยนะความว่าพรามท่านได้สองกุมารกุมารีเหล่านั้นด้วยคําอันเป็นที่รักอย่างไรข้อว่า ท่านควรทําให้เราเชื่อโดยเหตุที่ชอบซัมมายาเยนะสัทธะเหความว่าท่านอย่ารำมุสาวาตต้องให้พวกเราเชื่อด้วยเหตุการณ์โดยชอบทีเดียวคําว่าลูกน้อยทั้งหลายปุตตะเกความว่าใครจะทําลูกน้อยน้อยที่น่ารักของตนให้เป็นทานอันสูงสุดแล้วให้ทานนั้นแก่ท่านชูชกกราบทูลว่า พระองค์ใดเป็นที่พึ่งของเหล่ายาจกผู้มาขอดังธรณีเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายพระองค์นั้นคือพระเวสสันดรราชซึ่งเสด็จไปอยู่ป่าได้พระราชทานพระราชโอรสและพระราชธิดาแก่ข้าพระองค์พระองค์ใดเป็นที่รองรับของเหล่ายาจกผู้มาขอเหมือนสาคอนเป็นที่รองรับแห่งแม่น้ำทั้งหลายซึ่งไหลลงไปฉะนั้น พระองค์นั้นคือพระเวสสันดรราชซึ่งเสด็จไปอยู่ป่าได้พระราชทานพระราชโอรสและพระราชธิดาแก่ข้าพระองค์บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเป็นที่พึ่งปฏิถาสิได้แก่เป็นที่พึ่งอาศัยอมาตทั้งหลายได้ฟังชูชกกล่าวดังนั้นเมื่อจะติเตียนพระเวสสันดรจึงกล่าวว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญทั้งหลายพระราชายังทรงครองเรือนอยู่เป็นผู้มีศรัทธาทรงกระทำกรรมไม่สมควรหนอพระเวสสันดรถูกขับไล่ออกไปอยู่ป่าพึงพระราชทานพระราชโอรสและพระราชธิดาอย่างไรหนอท่านผู้เจริญทั้งหลายมีประมาณเท่าใดซึ่งมาประชุมกันอยู่ในสมาคมนี้จงพิจารณาเรื่องนี้ พระเวสสันดรราชประทับอยู่ในป่าจะพระราชทานพระราชโอรสและพระราชธิดาอย่างไรเล่าพระองค์ควรจะพระราชาทานทาสทาสีมา้าแม่มาอัสดรรถช้างกุญชรทำไมจึงพระราชทานพระราชกุ ม, มารทั้งสองเล่าบรรดาคําเหล่านั้นคําว่ามีศรัทธาสัตเทนะความว่า าแต่ผู้เจริญพระราชาแม้ทรงมีศรัทธาแม้ทรงประกอบด้วยความเลื่อมใสคำว่ายังทรงครองเรือนอยู่คระเมซินาความว่าเรื่องนี้พระราชาเวสันดรเมื่อทรงอยู่ครองคารวาสวิสัยทรงทรรมไม่ถูกคือทรงทรรมไม่ควรหนอคำว่าถูกขับไล่อวรุทธโกได้แก่ พระเวสสันดรถูกขับไล่จากเว้นแคว้นประทับแรมในป่าคำว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเรื่องนี้อิมังโพนโตอมัดทั้งหลายกล่าวด้วยความประสงค์อย่างนี้ว่าชาวพระนครผู้เจริญทั้งหลายบรรดาที่มาประชุมกันอยู่ณที่นี้ทั้งหมดจงพิจารณาคือใครครวรเรื่องนี้ดูเถิด พระเวสสันดรนี้พระราชทานพระโอรส น, น้อยของพระองค์ให้เป็นทาสได้อย่างไรเรื่องอย่างนี้เคยมีใครทําไว้คําว่าควรจะพระราชทานทัตชาความว่าควรจะพระราชทานทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาทรัพย์ทั้งหลายมีทาสเป็นต้นด้วยข้อว่าจึงพระราชทานพระกุมารทั้งสองทําไม กะถังโสทัชชาทารเกออามาทั้งหลายกล่าวว่าพระเวสสันดรได้พระราชทานพระโอรสทิดาเหล่านั้นด้วยเหตุไรพระชาลีราชกุมารได้ทรงฟังคำอามาทเหล่านั้นเมื่อทรงอดทนคำครหาพระชนกไม่ได้เป็นผู้ราวกะจะคำจุนเขาสิเนรุที่ถูกลมประหารด้วยพระพาหาของพระองค์ จึงตรัสคาถานี้ว่าข้าแต่พระอัยกาทาสมา้าแม่ม้าอัสดรรถและช้างกุญชรตัวประเสริฐในเรือนของผู้ใดไม่มีผู้นั้นจะพึงให้อะไรพระเจ้าค่าในอาสมของผู้ใดไม่มีศิลาทองเงินแก้วมณีและแก้วประพานข้าแต่พระอัยกาผู้นั้นจะพึงให้อะไรเล่า พระเจ้าสัญชัยได้ทรงสดับดังนั้นจึงตรัสว่าแนพระหลานน้อยปูสันเสรนทานแห่งบิดาของเจ้านั้นปูไม่ได้ติเตียนเลยหากไทยแห่งบิดาของเจ้าเป็นอย่างไรหนอเพราะให้เจ้าทั้งสองแก่พรามแล้วบรรดาคาเหล่านั้นข้อว่าปูสรรเสรญทานแห่งบิดาของเจ้านั้นทานะมัตสะประสังสามะ ความว่าแน่พระหลานน้อยพวกเราสรนเสริญทานของบิดาเจ้ามิได้ติเตียนพระชาลีราชกุมารได้สดับดังนั้นจึงตรัสว่าข้าแต่พระอัยกามหาราชพระบิดาของกล้าวกระห ม, ม่อมพระราชทานกล้าวกระหม่อมชั้นทั้งสองแก่พราหมณ์แล้วได้สดับถ้อยคําร่ําพิลาบที่พระน้องกันหาได้กล่าวแล้ว พระบิดาทรงมีพระหฤรุไทยเป็นทุกข์และเร่าร้อนมีดวงพระเนตรแดงดังหนึ่งดาวโรหินีและมีพระอสุชนหลั่งไหลบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเป็นทุกข์ทุกขขัสตความว่าค่าแต่พระอยกาพระบิดานั้นทรงสดับคำนี้ที่น้องกันหาชินาของหม่อมฉันกล่าวพระองค์ได้มีพระหารุไทยเป็นทุกข์ คำว่ามีดวงพระเนตรแดงดังหนึ่งดาวโรหินีโรหินีเหวะตามพักขีความว่าพระบิดาของหม่อมฉันมีพระเนตรแดงกำลัราวกับดาวโรหินีที่มีสีแดงฉะนั้นทรงมีพระอสุชนหลั่งไหลเป็นดังสายเลือดในขณะนั้นบัดนี้พระชาลีราชกุมาร เมื่อจะทรงแสดงพระวาจาของพระกันหาชินานั้นจึงตรัสว่าพระน้องกันหาชินาได้กราบทูลพระบิดาดังนี้ว่าข้าแต่พระบิดาเจ้าขาพรามนี้เคียนตีกล้าวกระหม่อมฉันด้วยไม้เท้าดังเคียนตีหญิงทาสีที่เกิดในเรือนเบี้ยพระบิดาเจ้าขาผู้นี้ไม่ใช่พรามเป็นแน่พรามทั้งหลายย่อมตั้งอยู่ในธรรม ยักษ์แปลงเพศเป็นพรามมานำเอาเกล้ากระหม่อมชั้นทั้งสองไปเพื่อจะกินพระบิดาเจ้าขาเกล้ากระหม่อมชั้นทั้งสองถูกปีศาจนำไปชไหนพระบิดาจึงทรงนิ่งดูดายเสียเล่าหนอเพคะลำดับนั้นพระเจ้าสัญชัยทอดพระเนตรเห็นพระราชนัดดาทั้งสองยังไม่พ้นจากมือพรามชูชกจึงตรัสคาถาว่า มารดาของเจ้าทั้งสองเป็นราชบุตรีและบิดาของเจ้าทั้งสองเป็นพระราชบุตรแต่ก่อนเจ้าทั้งสองเคยขึ้นตักของปู่บัดนี้เหตุไรจึงยืนอยู่ห่างไกลเล่าหนอบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าแต่ก่อนของปู่ปุเพเมความว่าแต่ก่อนนี้ หลานทั้งสองเห็นปู่แล้วเข้ามาโดยเร็วขึ้นตักปู่บัดนี้เหตุอะไรเนอะหลานทั้งสองจึงยืนอยู่ไกลพระชาลีราชกุมารกราบทูลว่าพระชนนีของหม่อมชั้นทั้งสองเป็นพระราชบุตรีพระชนกของหม่อมชั้นทั้งสองเป็นพระราชบุตรแต่หม่อมชั้นทั้งสองเป็นทาสของพรามเพราะฉะนั้น ม่อมชั้นทั้งสองจึงยืนอยู่ห่างไกลพระเจ้าข้าบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าแต่ม่อมชั้นทั้งสองเป็นทาสทาสามะยังความว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพเมื่อก่อนหม่อมชั้นทั้งสองรู้ตัวว่าเป็นราชบุตรแต่เดี๋ยวนี้ม่อมชั้นทั้งสองเป็นทาสของพรามไม่ได้เป็นนัดดาของพระองค์พระเจ้าสัญชัยตรัสว่า หลานรักทั้งสองอย่าได้พูดอย่างนี้เลยหัตถ a ของปู่กาลังเร่าร้อนกายของปู่เหมือนดังถูกยกขึ้นไว้บนจิตตกาธานปู่ไม่ได้ความสุขในราชบัลลังก์หลานรักทั้งสองอย่าได้พูดอย่างนี้เลยหลานทั้งสองยังความเศร้าโศกแก่ปู่ยิ่งนักปู่จักไถหลานทั้งสองด้วยทรัพบหลานทั้งสองจักไม่ต้องเป็นทาอแน่พ่อชาลี บิดาของเจ้าให้เจ้าทั้งสองแก่พรามได้ตีราคาไว้เท่าไรหลานทั้งสองจงบอกปู่ตามจริงเถิดพนักงานทั้งหลายจงให้พรามรับเอาทรัพย์ไปบรรดาคําเหล่านั้นคําว่ารักสัมมะเป็นคําแสดงความรักข้อว่ากายของปู่เหมือนดังถูกยกขึ้นไว้บนจิตกาาจตกาทานจิตตกายยังวะเมกาโย ο. ได้แก่บัดนี้กายของปู่เป็นเหมือนถูกยกขึ้นสู่เชิงตะกรฐานเพลิงคำว่ายังความเศร้าโศกให้แก่ปู่ยิ่งนักชะเนธะมังได้แก่ให้เกิดแก่ปู่บาลีก็อย่างนี้แหละคำว่าจักไถยด้วยทรัพ์นิ ก, กีนิสามิทัพเพนะได้แก่จักให้ทรัพ์และเปลื้องจากความเป็นทาต คำว่าได้ตีราคาไว้เท่าไรกิมักขี้ยงได้แก่ตีค่าไว้เท่าไรคำว่าจงให้รับเอาทรัพย์ไปปฏิปาเทนตุได้แก่จงให้พรามรับทรัพย์พระชาลีราชกุมารได้สดับดังนั้นจึงตรัสว่าข้าแต่พระอัยกาพระบิดาทรงตีราคากล้าวกระหม่อมชั้น มีค่าทองคำหนึ่งพันแท่งทรงตีราคาพระน้องกันหาชินาผู้มีพระพักอันผ่องใสด้วยสัตว์พาหนะมีช้างเป็นต้นอย่างร้อยร้อยแล้วได้พระราชทานแก่พราหมณ์บรรดาคําเหล่านั้นข้อว่าตีราคาเกล้ากระหม่อมชั้นมีค่าทองคํหนึ่งพันแท่งสหัสักขังทิมังความว่า ข้าแต่สมมุติเทพพระบิดาพระราชทานหม่อมชั้นแก่พรามทรงตีราคาพันลิ้มทองคําคำว่าพระน้องอัดฉังได้แก่ส่วนน้องหญิงกันหาชินาของหม่อมชั้นด้วยคำว่าด้วยสัตวนะ์พาหณะมีช้างเป็นต้นอย่างละร้อยละร้อยหัตถิอาทิสเตนะพระชาลีทูลว่าพระบิดาทรงตีราคาด้วยช้าง ม้ารถเหล่านี้ทั้งหมดอย่างละร้อยร้อยอย่างแม้โดยที่สุดจนเตียงและตังก็อย่างละร้อยทั้งนั้นพระเจ้าสัรชัยได้ทรงฟังพระชาลีกราบทูลเมื่อจะทรงโปรดให้ไทยพระกุมารกุมารีทั้งสององค์จึงตรัสว่าเว้ยพนักงานเจ้าจงลุกขึ้นไปนำทาตทาสีช้างโคและโคอุตสภะ อย่างละร้อยกับทองคำหนึ่งพันแท่งเอามาให้แก่พรามเป็นข่าไทยพระหลานรักทั้งสองบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเอามาให้อวากระได้แก่จงให้คำว่าเป็นข่าไทยนิกกยังได้แก่จงให้ข่าไทยนายพนักงานได้ฟังพระดารัสสั่งดังนั้นแล้วจึงกระทำตามนั้น ได้จัดค่าถทยสองกุมารให้แก่พรามทันทีพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าลำดับนั้นนายพนักงานรีบไป น, นำธาตุทาสีช้างโคและโคอุสภะอย่างละร้อยกับทองคำหนึ่งพันแท่งเอามาให้แก่พรามเป็นค่าถทยสองพระกุมาร